บทสวดอุ ป, ปาตสันติทำความเข้าใจบทสวดมนต์กันก่อนสักนิดนะครับปัจจุบันชาวพุทธส่วนใหญ่นิยมสวดมนต์กันมากและมีการทําซีดีแจกกันอย่างแพร่หลายบทสวดต่อไปเนี้เป็นบทสวดเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์และให้ผลทั้งแก่ผู้ฟังและผู้สวด ไปในทางปัดเป่าสิ่งร้ายและเสริมสิริมงคลซึ่งปรากฏว่ามีแต่เสียงสวดภาษาบาลีตามปกติผมจะเผยแพร่อะไรหากไม่เข้าใจและไม่ถูกต้องก็คงไม่ทํานะครับหากจะทําก็ต้องทําให้ถูกต้องและให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจึงได้ค้นหาคําแปลพร้อมประวัติคร่าวๆซึ่งแนบไฟล์เป็นเอกสารไว้ในแผ่นนี้แล้วนะครับสามารถพริ้นออกมาสวดหรืออ่านได้เลยและได้อัดเสียงเฉพาะคําแปลภาษาไทยมาให้เพื่อไว้ฟังหรือสวดตามอีกด้วย การสวดมนต์ที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้คำแปลหากฟังคำแปลจากพระคาถาบทนี้เราจะเข้าใจเลยว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่พัรนามามากมายนั้นจะบังเกิดและสำเร็จได้เพราะเราเข้าใจบทสวดและเข้าใจจริงๆว่ากำลังกล่าวถึงพระคุณของใครกำลังสรรเสริญและอันเชิญพระคุณของใครชาวไทยพุทธส่วนใหญ่เลยนะครับที่งม ง, งายกับการสวดมนต์จนเข้าใจผิด